วันนี้ก็ได้มากลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2563ก็จะได้มาพบกันประมาณครั้งละ4วัน1ครั้งทีมงานได้ปรึกษากัน แล้วก็ได้เห็นตัวเลขว่าสี่วันนี้เป็นตัวเลขที่เหมาะสมก็จะทุกทุกสี่วันจะมีการพูดสดกันสักครั้งหนึ่งส่วนอีกสามวันก็เป็นการฟังของเก่าของปีที่แล้วไปพลางๆก่อน วันนี้สิบสี่อีกสี่วันก็สิบแปดแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบหกสำหรับท่านที่สนใจก็จะได้ทราบไว้ทุกสี่วันก็จะมีการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝากท่าน ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคร่างกายของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียารักษาโรคถึงจะรักษาโรคของร่างกายให้หายได้ใจของพวกเราก็มีโรคภยัยแค่เจ็บเหมือนกัน คือความไม่สบายใจต่างๆเราก็ต้องอาศัยธรรมโอสดยาของธรรมะที่จะมารักษาโรคใจคือความไม่สบายใจต่างๆทุกๆสี่วันก็จะมีการนำเอาธรรมะ โอสถของพระพุทธเจ้ามาแจกใจ่ายให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปใช้ในการรักษาโรคใจรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้เบาบางลงไปให้หายไปเหมือนกับสมัยที่เป็นเด็กจะมี ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดอยู่สุพรรณบุรีจะมีรถขายยามาขายยาและวิธีที่จะล่อให้คนมาซื้อยาก็มีหนังกลางแปลงให้ดูฟรีมีภาพยนตร์กลางแปลงสมัยก่อนหนังนี่จะเป็นม้วนๆเหมือนเทปม้วนเทปหนังเรื่องหนึ่งก็จะมีสักสองสามม้วนด้วยกัน เขาก็จะมีช่วงใช้มวนแรกพอม้วนแรกหมดก็หยุดเปลี่ยนมวนช่วงที่เปลี่ยนมวนก็เลยเป็นช่วงที่เขาจะขายยาเขาก็เอายาต่างๆที่จะเข้าจะขายมาโฆษณามายาแก้ปวดท้องแก้ปวดหัวยาดมยาแก้ลมอะไรต่างๆยาสารมันก็พูดไปนะ จนก็ะทั่งคนดูหนังลืมมาดูดูเรื่องอะไรแล้วก็พอขายยาได้หน่อยแล้วก็เริ่มใช้ม้วนที่สองต่อไปใช้ไปแล้วพอถึงมว้วนที่พอหมดม้วนที่สองก็ขอขายยาอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วพอใช้ม้วนที่สามก็เป็นม้วนสุดท้าย อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาขายายาให้กับท่านทั้งหลายเพียงแต่ว่าไม่มีหนังมาฉายสลับให้ท่านได้ดูกันก็เป็นการขายายาล้วนๆเป็นการแจกยาเพราะว่ายาคือธรรมะสดของพระพุทธเจ้านี่ขายไม่ได้ไม่ขาย พระพุทธเจ้าไม่ทรงขายยาทรงแจกยาแจกเป็นธรรมทานให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงไม่ต้องเสียเงินเสียทองคนรวยคนจนนี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เท่าเทียมกัน ไม่เหมือนกับการเข้าหาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆคนรวยคนจนนี้ต่างกันคนรวยคนมีเงินก็สามารถเข้ารักษาตามโรงพยาบาลเอกชนได้คนยากคนจนไม่มีเงินก็ไปรักษา ตามโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลของรัฐบาลสามสิบบาทรักษาทุกโรคธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นยารักษาโรคใจนี้ซื้อธรรมะอุสถนี้ก็เป็นแบบสามสิบบาทรักษาทุกโรค แต่ไม่คิดเงินเลยเป็นฟรีเป็นทานเป็นธรรมทานเพราะว่าออกมาจากจิตพระไทยอันบริสุทธิ์ของเจ้าของยาเจ้าของยาคือพระพุทธเจ้าผู้ทร ง, งตัดสตรู้ธรรมันประเสริฐ ในทรงค้นพบธรรมะโอสฐ์อันประเสริฐที่จะเอามารักษาโรคของใจให้หายขาดหายอย่างถาวนที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะทำได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐนี้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถที่จะรักษาใจของตนให้หายจากความทุกข์ได้อย่างถาวรมีการพยายามวิธีการต่างๆที่จะรักษาโรคของใจคือความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมดก็ไม่มีใครสามารถ ที่จะทำให้โลกของใจคือความไม่สบายใจต่างๆหายไปได้อย่างถาวรรักษาได้เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเวลาไม่มีเวลามีความไม่สบายใจก็ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารักษาก็ทำให้ความไม่สบายใจ หายไปชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาอีกเนี่เรานี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาอันนี้เราก็เริ่มสัมผัสกับความไม่สบายใจต่างๆอยู่แทบทุกวันแล้วเราก็ใช้วิธีการต่างๆมา กำจัดความไม่สบายใจของเราถ้ากำจัดได้เป็นพักๆไปเป็นค้างๆไปวันนี้ไม่สบายใจก็ลองไปทำอะไรดูเพื่อให้ความไม่สบายใจหายไปบางทีก็ไปเที่ยวกันความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวบางทีก็ไปชอปปิ้งกัน ไปซื้อข้าวซื้อของบางทีก็ไปลงภาพยนต์ไปดูภาพยนต์หรือมหัรศพต่างๆบันเทิงต่างๆบางทีก็ไปจัดกิจกรรมจัดงานเลี้ยงกันพบปะสังสรรค์กันทำอะไรให้ใจเบิกบานทำให้ใจ ผ่อนคลายจากความไม่สบายใจแต่ก็ทําได้เป็นช่วงขณะที่ได้ได้ทํากิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแต่พอว่างจากกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่ความไม่สบายใจก็มีตั้งแต่ระดับเบาๆจนถึงระดับหนักๆแต่มีอยู่ ทุกวันทุกเวลาถึงแม้จะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวเพียงแต่อยู่เฉยๆก็เกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้เป็นเรื่องของใจที่ชอบผลิตความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาเพราะไม่มีธรรมโอุส มาคอยควบคุมมาคอยรักษามาคอยป้องกันไม่ให้ความไม่สบายใจต่างๆปรากฏขึ้นมาพวกเราก็พยายามแก้ความไม่สบายใจด้วยวิธีการต่างๆมาอย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราทนอยู่กับความไม่สบายใจไม่ได้ พอเกิด okay, ความไม่สบายใจเราก็ต้องไปทำอะไรกันต้องไปหาอะไรมาทำให้เราหายจากความไม่สบายใจแต่ไม่ว่าวิธีใดก็ตามไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราหามารักษาใจของเรารักษาอย่างไรมันก็ไม่หายขาด นชีวิตของเราผ่านมากี่ปีแล้วผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวมากี่ครั้งแล้วความไม่สบายใจของเราหายไปหมดแล้วยังหรือก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทของเราจะว่าได้นี่ละความซื่อสัตย์ไม่มีเวลาจะซื่อสัตย์เท่ากับความไม่สบายใจ มันซื่อสัตย์กับเราจริงๆมันติดตามเราไปเหมือนเงาตามตัวเราแต่พวกเราชาตินี้โชคดีเหมือนกับได้ถูกวัตเตอ ร, รลี่รางวัลที่หนึ่งโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตาม แต่ได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้คือให้ธรรมโอสถ์กับพวกเราให้ยารักษาโรคความไม่สบายใจให้กับพวกเราให้พวกเราหายจากความไม่สบายใจต่างๆได้อันนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ในบรรดาภพชาติต่างๆของพวกเราที่เราได้เรียนไหวาตายเกิดกันมาพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นดวงวิญญาณือดวงจิตดวงใจที่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆใจของพวกเรา ไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันก็เลยคิดว่าต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาเวลามีร่างกายก็จะได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายที่จะพาให้ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆ พอเราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิก่นรสผลิภัที่เราชอบเราก็ได้ความสุขขึ้นมานี่เป็นวิธีหาความสุขของใจที่ทำให้ใจต้องดีร่างกายที่ทำให้ใจต้องมาเกาะติดกับร่างกายซึ่งการเกาะติดกับร่างกายนี้ก็ เป็นวาระชั่วค่าวข้อร่างกายเป็นของชั่วค่าวร่างกายของมนุษย์นี้อยู่กันได้ก็ไม่เกินร้อยปีเป็นอย่างมากก็ต้องตายไปแล้วพอตายไปใจที่มาเกาะติดกับร่างกายก็จะแยกออกจากร่างกายไป ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่เพราะใจต้องมีร่างกายในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้นี่เป็นที่มาของการมาเกิดของพวกเราทุกคนกเรามาเกิดมาได้ร่างกายจากพ่อแม่ของเรา เพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขต่างๆให้กับใจให้กับเราเราก็หาไปสลับกับช่วงเวลาที่เราหาไม่ได้ก็เป็นช่วงที่เราต้องพบกับความทุกข์กันพบกับความไม่สบายใจกันเพราะการที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกาย นี่ก็มีอุปสรรคต่างๆนานาที่จะทำให้การหาความสุขนั้นมีการสะดุดได้เวลาที่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก็เราก็จะอยู่แบบนี้ไป ขณะที่เรามีร่างกายคือสลับกันไปสลับกันมาสามวันดีสี่วันกล่สามวันสุขสี่วันทุกเพราะมันเป็นธรรมชาติของวิธีการหาความสุขแบบนี้มันเป็นวิธีหาความสุขแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ท่านเรียกว่าอนิจจงการหาความสุข ผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายเป็นความที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราชอบที่จะให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเวลาไม่มามันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา แล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีตาก็ไม่ดีบางทีหูก็ไม่ดีบางทีจมูกก็ไม่ดีลิ้นก็ไม่ดีฝันร่างกายก็ไม่ดี เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่เนื่องจากเราไม่รู้จากวิธีหาความสุขแบบอื่นรู้จากวิธีหาความสุขแบบนี้ความสุขผ่านการมีร่างกายมันก็เลยทําให้เราต้องพบกับความสุขพบกับความทุกข์ สลับกับการไปพบกับความสุขเวลาเรามีความทุกข์บางทีเราก็ไม่รู้จักวิธีทำให้มันหายเราก็ต้องทุกข์ทรมานไปกับมันจนกว่ามันจะหายไปพอมันหายเราก็มีความสุขใหม่ พอมีความสุขใหม่เดียวสักพักหนึ่งความสุขที่เราได้มาใหม่มันก็หายไปความทุกข์ใหม่ก็กลับเข้ามาหาเราอีกนี่คือความทุกข์ของพวกเรานี่ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการมาหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองจึงทําให้เรานี่ ต้องทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์กับรูปเสียงกดลิ่นรสผลพทะที่เราหาไม่ได้ทุกข์กับร่างกายของเราที่มีปัญหาต่างๆที่ทำให้มันไม่สามารถที่จะพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆได้นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา คือการมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาได้มันก็ทำให้เราสบายใจเวลาขาดมันก็ทำให้เราไม่สบายใจแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แม้ได้มาพบกับพระพุทธพระเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดีได้ค้นพบวิธีที่จะแก้ปัญหาคือแก้ความทุกข์ใจที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ให้มันหายไปได้หมด ทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ต้องไม่กับไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพบแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลือกที่จะมาทางนี้กัน ถ้าเราจะเลือกมาทางการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ต้องมาเจอกับความไม่แน่นอนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราใช้มาให้ความสุขกับเราความไม่แน่นอนกับเครื่องมือคือร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา เพราะมันไม่แน่นอนนี่เองมันจึงทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสมมุติว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันแน่นอนนี่มันเป็นนิจจังแทนที่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกข์ก็จะไม่มีมันก็จะเป็นสุขไปตลอดนิจจังสุขขังอัตตาเป็นความสุขของเราไปตลอดมีอะไรก็เป็นของเราไปตลอด ไม่จากเราไปไม่เสียไม่สูญหายไม่พัดภาคจากกันไปแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับโลกนี้เพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับมไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตร่างกายต้นไม้ใบหญ้าอะไรสัตว์เดรัจฉานทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็มีดับไปมีมาแล้วเดี๋ยวก็มีไป มีการพัดพรากจากกันไม่มีใครที่จะไปทําให้สิ่งต่างๆในโลกนี้จีรังถาวรได้เมื่อไม่สามารถที่ทําให้ทุกอย่างเป็นนิจจังได้การจะทําให้สุขขังเป็นสุขขังที่ถาวรก็เป็นไปไม่ได้นความสุขก็เลยกลายเป็นความสุขชั่วคราวตามสิ่งที่ ผลิตความสุขให้กับเราถ้ารูปให้ความสุขกับเราเดี๋ยวรูปที่ให้ความสุขกับเรานี้นเดี๋ยวมันก็หายไปพอรูปนั้นหายไปความสุขก็หายไปกับรูปนั้นพอความสุขหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเรา มาพบกันมามีกันนี่มันมากับความสุขที่เรามาหากันนั่นเองมันเป็นของคู่กันเป็นเหมือนเหรียญเหรียญ น, นี้จะมีสองด้านเราเรียกว่าหัวกับก้อยสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนเหรียญมันก็มีสองด้านมีด้านที่เรียกว่าสุข กับด้านที่เรียกว่าทุกเนี่ยตามใดที่เรามาหาสิ่งต่างๆเราก็จะได้ทั้งสองด้านเราจะบอกว่าเอาด้านเดียวไม่ได้บอกจะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นของที่มาคู่กันเหมือนกับเหรียญ จะเอาเหรียญด้านเดียวไม่ได้จะเอาเหรียญแล้วได้เหรียญมาก็ต้องมีหัวมีก้อยแล้วถ้าเรามาโยนมันขึ้นแล้วให้มันตกลงมามันก็จะตกลงมาสลับกันบางทีก็เป็นหัวบางทีก็เป็นก้อยสิ่งต่างๆที่เราหากันมาให้ความสุขกับเรา มันก็เป็นอย่างนั้นมันพลิกไปพลิกมาบางทีก็มันพลิกด้านสุขออกมาบางทีมันก็พลิกด้านทุกข์ออกมาอต่เราไม่ต้องการความทุกข์แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้วิธีการของเรานี่วิธีการหาความสุขของเรานี่เป็นวิธีการที่จะต้องเจอความทุกข์ เสมอเพราะว่ามันมาด้วยกันหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จะต้องได้ความทุกขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราชอบที่ให้ความสุขกับเราเขาหายไปเขาเปลี่ยนไปความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะตามมา นอกจากนั้นเครื่องมา้าเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ถาวรนะตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเรามันก็มีการเจริญแล้วมันก็มีการเสื่อมไปตามการตามเวลา ช่วงที่มันจเจริญเราก็เราอาจจะลืมไปว่ามันจะต้องเสื่อมกันช่วงที่เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยช่วงนั้นเครื่องไม้เครื่องมื อ, มอคือตาหูจมกูกนิ้นกายนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ไม่มีปัญหาต่างๆแต่พอ เริ่มเข้าสู่วัยชราตาหูจมูกเนิ้วกลายก็เริ่มมีปัญหาตามเกิดขึ้นมาตาก็จะพร่าขึ้นมามองอะไรที่เคยเห็นมองได้ชัดก็จะมองไม่เห็นไม่ชัดขึ้นมาหูที่เคยได้ยินเสียงชัดเจนก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดขึ้นมานี่คือความไม่แน่นอน ของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการหารูปเสียงกิจลอต่างๆมาให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของไม่แน่นอนมันก็เป็นอนิจจงไม่เที่ยงมีเจริญแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมลงไปตามตามการตามเวลา พอมันเสี่ยงมากมมันก็จะทำให้เกิดเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี่ก็คือความทุกข์ที่ตามมากับการที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายมันครึ่งหนึ่งมันก็หาความสุขให้กับเราอีกครึ่งหนึ่งมันก็หาความทุกข์มาให้กับเรา หาโรกภัยไข้เจ็บต่างๆมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดทุกคนแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพาอาาระ้าหลานตสาวกก็หนีไม่พ้นความทุกข์ของร่างกายหนีไม่พ้นความแก่ของร่างกายหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหนีไม่พ้นความตายของร่างกาย ต, ต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาารันสาวกนี่ท่านมีธรรมโอษฐ์มียรักษาใจที่จะรักษาให้ใจของท่านไม่ต้องมาทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องมาทุกข์ ก, ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ไม่ต้องมาทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายก็ทรงค้นพบวิธีการหาความสุขในรูปแบบใหม่นั่นเองอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขทางธรรม ต่างจากความสุขทางร่างกายคือความสุขทางธรรมนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใจของเรานี้สามารถมีความสุขได้อีกรูปแบบหนึ่งไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องอาศัยรูกเสียงกลิก่นรสผลทพธาชนิดต่างๆมาเสพมาสัมผัสมาให้ความสุขกับใจ ใจสามารถหาความสุขจากการใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือธรรมะก็คืออะไรก็คือความสามารถต่างๆที่มีในใจของพวกเรานี่ที่พวกเรามีกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ได้พัฒนากันก็เลยเป็นเหมือนกับไม่มีกัน เรามีธรรมะอันวิเศษอยู่ในใจที่จะผลิตความสุขให้กับใจของพวกเรากันแต่พวกเราไม่เคยใช้กันเราก็เลยไม่ได้พบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรากันน า, นานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาค้นพบความจริงอันนี้ คนพบว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราเรามีเครื่องไม้เครื่องมือวิเศษกว่าร่างกายเพราะของที่มีอยู่ในใจนี้มันจะไม่เสื่อมไม่หายไปจากใจมันจะไม่มีการพัดพากจากใจมันเป็นส่วนหนึ่งของใจธรรมะนี้ที่มีอยู่ในใจนี้มันจะอยู่คู่กับใจไปเรื่อยๆ แต่ของที่อยู่นอกใจคือร่างกายและสิ่งต่างๆนอกร่างกายคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นมันเป็นของที่จะไม่อยู่กับใจไปได้ตลอดใจต้องพยายามดึงมันมาอยู่เรื่อยๆดึงมันมาได้เดียวๆเดียวมันก็หนีไปอีกแล้ว ตอนหนีไปก็ต้องไปดึงมันกลับมาใหม่ช่วงที่มันไปก็ทำให้เราเศร้าใจเสียใจช่วงที่เราดึงมันกลับมาได้เราก็ดีออกดีใจกันไปเป็นพักๆสลับกันไปอยู่เรื่อยๆเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันไม่ยอมอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันชอบหนีเราชอบทิ้งเราเราก็ต้องคอยไปวิ่งไป ดึงมันกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆแต่ธรรมที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันไม่หนีเรากมันอยู่กับเรามาตลอดและขณะนี้มันก็อยู่กับเราเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้รับการพัฒนาที่จะทำให้มันสามารถสร้างความสุขอันวิเศษกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายได้ นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคือคนฉลาดที่เบื้องต้นก็เห็นปัญหาของวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายพระพุทธเจ้าพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเป็นข้า้งแรกนะก็เริ่มเห็นปัญหาของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนะก็เลย หาวิธีใหม่ศึกษาก็ได้เห็นพวกนักบวชที่เขาใช้ธรรมที่มีอยู่ในใจของเขาสร้างความสุขให้กับใจของเขาพวกนักบวชนี่เขาไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับผู้คลองเรือนะการลว่าดผู้คลองเรือนนี่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆ แต่พวกนักบวชนี้เขารู้จักวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนะซึ่งในยุคที่พระพุทธเจ้าได้ท่งศึกษาได้คนส่งคนควาในยุคนั้นก็มีการมีผู้รู้วิธีที่จะใช้ธรรมะที่มีใน ใ, นใจคือสติ ให้ใจสงบให้เกิดความสุขขึ้นมาได้เพียงแต่ว่ายังเป็นความสุขแบบชั่วคราวเท่านั้นเพราะสตินี้ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความสงบได้อย่างถาวรสตินี้ทำให้เกิดความสงบได้เป็นพักๆไปช่วงไหนที่มีการเจริญสติ ช่วงนั้นใจก็จะนน่ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นฌานขึ้นมาพอใจเป็นฌานเป็นสมาธิใจก็จะได้ความ ส, ามสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาแต่พอช่วงไหนที่ไม่ได้เจริญสติช่วงนั้นความสงบก็จะหายไปแล้วความ ไม่สบายใจต่างๆก็กลับเข้ามาในใจได้นั่นคือยุคแรกๆของการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าทรงได้พบว่าวิธีที่จะทำให้มีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้จำเป็นต้องอยู่แบบนักบวชคือต้องอยู่แบบมีศีลมีศีลของนักบวช ศีลนักบวชนี่ต่างกับศีลของผู้คลองเรือนศีลของผู้คลองเรือนคือศีลห้าแต่ศีลของผู้ของนักบวชนี้ตั้งแต่ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อแล้วแต่สถานภาพของนักบวชถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังไม่ได้ ออบวชเป็นภิกษุภิกษุณีก็จะถือศีลแปดไปตามเวลาตามโอกาสที่สามารถที่จะถือได้เพราะเป็นผู้คลองเรือนซึ่งบางครั้งบางเวลาอาจจะมีภารกิจต่างๆที่ต้องทําที่ทําให้ไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ก็อาจจะเปลี่ยนมารักษาศีลห้าบ้าง สลับกับการรักษาศิ่แปลกอันนี้ก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาคารวะผู้ของเรือนที่มีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากความสงบของใจก็จะคอยเจียดเวลาที่พอที่จะหาได้มาบำเพ็ญมาเจริญสติ เพื่อทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือนี่คืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือผู้ชายผู้ถือศีลแปดอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่ถือศีลแปดแต่ยังเป็นผู้คองเรือนอยู่ยังไม่ได้บวชแบบท้าวรเรียกว่าบวชแบบชั่วคราวไปก่อนวันไหนว่างก็มาบวชที่วัดกัน มาสมาทานศีลแปดเพื่อที่จะได้งดกิจกรรมการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สำหรับผู้ที่ถือศีลห้านี่ยังสามารถที่จะ หาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายได้สินห้ามไม่ห้ามห้ามแต่ผู้ที่ถือสีลแปดผู้ที่ถือสินห้านี้ก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติทำได้แต่อาจจะปฏิบัติได้น้อยกว่าเพราะว่าใจนั้นยังมีความผูกพัน กับการหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายมากกว่ายังเป็นแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังอยากดูละครก่กอนจะไปนั่งสมาธิขอนดูละครก่อนอะไาทำนองนี้ก็จะปฏิบัติได้น้อยจะนั่งสมาธิได้น้อยกว่าแต่สำหรับผู้ที่มาถือศีลแปดนี้ ต้องการที่จะนั่งสมาธิให้ได้มากๆก็เลยต้องบังคับด้วยศีลแปดห้ามห้ามใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาปฏิบัติมาเจริญสติมาสร้างธรรมที่มีอยู่ในใจนี้ให้มีกำลังมากขึ้น การจเจริญสตินี้ขึ้นอยู่กับเวลามีเวลาน้อยก็จเจริญสติได้น้อยมีเวลามากก็จะเจริญสติได้มากถ้ามีเวลาจเจริญสติได้มากก็จะมีสติมากถ้ามีสติมากก็จะทำให้ใจสงบได้มากสงบได้นาน ดังนั้นผู้ที่ในเบื้องต้นอาจจะเป็นผู้ที่ถือศีลห้า ม, มาก่อนแล้วได้ลองไปนั่งสมาธิช่วงเวลาที่ว่างเช่นก่อนนอนหรือหลังจากที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ลองนั่งสมาธิโดยการใช้สติอย่างใดอย่างหนึ่งอถ้าใช้พุทธานุสติก็ต้อนรึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธไปถ้าใช้อานาปนาสติ ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าใช้ธรรมานุสติก็สวดอิติปิโสไปสว ด, ดมนต์ไปสวดบทสวดมนต์ต่างๆสวดพระธรรมคำสอนก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติวิธีต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติการเจริญสตินี้มีอยู่สี่สิบวิธีด้วยกัน ทีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดนะซึ่งแยกเป็นเป็นระดับระดับไปมีระดับต้นระดับกลางแล้วระดับก้าวหน้าระดับสูงผู้ปฏิบัตินี้ก็จะเปลี่ยนกรรมฐานไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติส่วนใหญ่ผู้เริ่มต้นนี้จะเริ่มที่อนุสติสนะิบในการวิธีจจริญสติ สติสิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติแล้วลึกถึงพระธรรมคุณหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังขานุสติแล้วลึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าอาณาปณะสติแล้วลึกถึงลมหายใจเข้าออกการจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ต้องรู้ว่าเหมาะ เหมาะในช่วงไหนเช่นการเจรานาณาปนาสตินี้จะเหมาะในช่วงที่นั่งสมาธิถ้าไปทำอะไรแล้วดูลมนี่จะดูได้ยากเพราะลมเป็นของละเอียดถ้ามีการข่้นไหวมีการทำอะไรอาจจะใช้พุทธานุสติจะง่ายกว่าคือให้ดาลึกให้ท่องอยู่ภายในใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ หรือถ้าไม่ชอบท่องอยากจะดูก็ให้ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอันนี้เราก็เรียกว่ากายกตาสติใช้ร่างกายเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาถ้าเราคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรเราก็จะมีสติขึ้นมาทันทีแต่บางทีเราเผลอเราไม่มาดูร่างกาย เราไปดูคนนั้นคนนี้ไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติเช่นเวลาเราไปชอปปิ้งนี้เราไม่มีสติอยู่ที่ร่างกายเราเลยนะเราสติอยู่ที่ของที่ตั้งอยู่ในร้านอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสตนะิการเจริญสติต้องเจริญอยู่ที่ร่างกายของเราเพื่อที่ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าเราไปเจริญกับของที่เราเห็นตามร้านนี่มันจะปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งอันนี้ดีไห้ใส่ซื้อมาแล้วจะทำให้เราสวยขึ้นหรือเปล่าทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่ า, ามันจะทำให้จิตใจปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปแบบนั้นไม่เรียมก็เป็นการเจริญสติด้วยกายะกะตาสติกายสกะตาสตินี้ต้องดูที่ร่างกายของเราเ มีลูกศิษย์บางคนเขาค้านว่ะการไปช็อปปิ้งก็ต้องเจริญสติถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็หกล้มได้หัวทิ่มหัวแทงได้ฮใช่แต่นะั่นมันเป็นเพียงแต่สติที่จะคอยประคับประคองไม่ให้ร่างกายมันไปพบกับอุบัติเหตุแต่มันไม่พอสติแบบนั้นยังไม่พอมันต้องมีสติทําให้ใจเราหยุดคิดนสติที่เราต้องการนี่ ต้องเป็นสติที่ทําให้เราหยุดคิดกันเอไม่ใช่เดินไปเห็นข้าวเห็นของไปแล้วก็คิดถึงข้าวของนั้นไปถึงแม้จะมีสติว่าเรากำลังเดินอยู่เราไม่ไปชนประตูไม่ไปทําให้กระจกเขาแตกอะไรแต่นั้นก็เป็นสติเพียงแต่คอยคอยควบคุมร่างกายนั่นเองซึ่งไม่ถือว่าเป็นสติที่จะมีกําลังพอที่จะมาทําให้ มีกำลังที่จะทำให้ใจสงบให้เกิดความสุขใจขึ้นมาได้สติที่จะทำให้ใจทาให้ใจสงบได้นี้ต้องเป็นสติที่ทำให้เราหยุดคิดกันเช่ mm hmm. นเราพุโทโธนี้เราก็จะหยุดคิดแล้วเราใครคิดเรื่องอะไรพอเรามาพุโทโธพุโทโธเรื่องที่เราคิดก็ต้องหยุดไปเพราะใจเราคิดได้ทีละ เ, เรื่อง แต่บางครั้งมันเราอาจะรู้สึกว่าทาไมเราคิดอยู่สองเรื่องเราพูดโทรไปแล้วเรยังคิดอยู่มันเพราะว่ามันสลับฉากกันอย่างรวดเร็วะมันลก็ทําให้รู้สึกว่ามันมีสองความคิดด้วยกันแต่ความจริงมันความคิดเดียวแต่มันคิดสองมันสลับกันไปสลับกันมาพูดโทรรมแล้วไปคิดถึงขนมปั้บก็กลับมาพูดโทรคําแล้วกลับไปหาขนมใหม่มันก็เหมือนกับว่ามันมีสองเรื่อง แต่ความจริงมันคิดได้ทีละเรื่องถ้าเราตั้งใจก็ติดอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวนะใหม่ๆมันจะไปสองสามเรื่องแล้วแต่มันเพราะว่ามันไวมันไวยิ่งกว่าลิงเองใจของเราเนี่ยสติของเราใหม่ๆนี้มีกำลังน้อยแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลอย่าไปสนใจกับความคิดอย่างอื่นที่แทรกเข้ามาเวลาที่เราจเจริญสติเช่นพุทธานุสติ เราก็ตั้งใจเกาะติดไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวส่วนมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปสนใจแล้วต่อไปถ้าสติเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกาะติดอยู่กับพุโทโธได้ยาวขึ้นนานขึ้นแล้วความคิดต่างๆมันก็จะหายไปน้อยลงไปแล้วถ้าสติดีๆต่อไปมันจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้ ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้ถ้าอยู่ในอิริยาบถนั่งนี้เดี๋ยวมันตกหลุมตกบ่อได้นะมันวูบลงไปแล้วจิตก็จะเนื่งสงบเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้ น, น, นี่คือการเจริญสติในเบื้องต้นที่เราต้องทํากันโดยอาศัยการรักษาศีลเป็นเครื่องมือที่จะ ห้ามใจของเราไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิานกายกันถ้าเราถือศีลห้านี่เราจะไม่ห้ามนึกพอคิดอยากจะเดิมกาแฟก็เดิมได้คิดจะกินขนมก็กินได้คิดอยากจะดูอะไรก็เปิดมือถือขึ้นมาดูได้คิดอยากจะฟังอะไรก็ทำได้แต่ถ้าเราเป็นผู้เคร่งคัดต่อการปฏิบัติศีลแปดแม้แต่มือถือนี่ก็ไม่ให้เปิด ยกเว้นอาจจะมีความจําเป็นมีใครโทรเข้ามามีเรื่องคอขาดบาดตายเอท่า น, นั้นสําหรับบางท่านนี้ท่านก็บอกว่ามันจะบาดตายก็เรื่องของมันเราไม่ขอไปบาดตายกับมันก็ จ, จะปิดมือถือเลยไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกสําหรับผู้ที่ต้องการดึงใจให้เข้าสู่ข้างในนี้ จำเป็นต้องตัดสิ่งต่างๆที่คอยดึงดูดใจให้ออกไปข้างนอกคือรูปเสียงกิดรดต่างๆที่มาโดยทางสื่อต่างๆมาทางมือถือมาทางวิทยุมาทางทีวีมาทางอะไรต่างๆนี้แม้แต่เสียงธรรมเสียงที่เราอยู่ได้ยินได้ฟังนี้ก็เหมือนกันพอไม่ได้ยินเสียงคนพูดเท่เนี้มันไปเกาะติดกับคาพูดของเราของเขาละ มันไม่ติดกับพุโทโธพอกายพูดอะไรนี่มันแปลวัดอยากจะฟังอยากจะรู้ว่าเขากำลังพูดอะไรขึ้นมาทีเพราะนั้นะบางทีถือศสียงแปะแล้วยังไม่พ อ, อ, อห้ามไม่ให้ไปเสพแล้วยังไม่พอยังต้องไปปีกวิเวกอีกด้วยต้องหนีต้องหนีไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกิ่นรดมาดูดมาดึงใจให้ออกไปถึงต้องต้องไปปฏิบัติตามวัดป่าวัดเขากัน พวัดป่าวัดเขานี้ท่านเน้นเรื่องการเรื่องความวิเวกเรื่องความห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆนั่นเองพอพอไปอยู่ที่เหล่านั้นแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกเิ่นกายได้อศีลก็จะไม่ขาดะ แต่ถ้าไปถือศีลในที่ที่ยังมีรูปเสียงกลิ่นล้นมรอบอยู่นี่เดี๋ยวพอเห็นเขากินอาหารเย็นเนี่ยขิวขึ้นมาละออพอเห็นเขาดูหนังก็อยากจะดูกับเข้าขึ้นมาเดี๋ยวทําไปทํามาก็ขอลาศีลแปกลับมาอยู่ศีลห้าแทนเวลาที่จะเอาไปใช้ในการจารันสติเพื่อทําใจให้สงบมันก็จะไม่มี นี่คือทำที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาทำข้อที่หนึ่งก็ศีลนี่ต้องพยายามรักษาศีลกันให้ได้เรื่องต้นถ้ายังไม่มีศีลเลยก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนข้อสุรานี้สำคัญที่สุดเลือกดื่มสุราได้ก่อนแล้วมันก็จะทำให้รักษาศีลข้ออื่นได้ง่าย เวลาดื่มสุราแล้วมันจะขาดสติมันจะทำให้ไปทำผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายกว่าใเลิกดื่มสุรากันก่อนแล้วก็ข้อสองข้อไหนที่ง่ายก็พยายามเลิกมันไปต่อไปก็จะรักษาห้าได้ห้าข้ อ, อรักษาได้ห้าข้อแล้วมันก็จะมีนิสัยที่จะรักษาศีล จะรักษาเพิ่มอีกสามข้อมันก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเกินอะไรรักษามาห้าได้ห้าข้อแล้วก็รักษาอีกสามข้อแต่จะทําให้รักษาได้ง่ายก็ต้องได้มีการฝึกสติในขณะที่รักษาศีลห้าไปควบคู่กันไปเราไม่ได้ยากการปฏิบัติว่าต้องทําศีลอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยมาทําสติแล้วค่อยมาทําทสมาธเาามาิเราสามารถที่จะ พัฒนาทมเหล่านี้ควบคู่กันไปได้ขณะที่เราลักเสียรักษาศาีลห้าเราก็พยายามเจริญสติสร้างสติขึ้นมาอาจจะสร้างได้น้อยกว่าศีลแปดแต่ก็ยังดีกว่าไม่สร้างเลยไ ม, ไม่พยายามเลยก็พยายามฝึกสติไปพุทโธไปแล้วก็มีเวลาว่างก็ฝึกนั่งสมาธิไป ควบคู่กับการรักษาศีลไปก่อนส่วนปัญญาก็ฟังเทศฟังธรรมไปการฟังธรรมก็จะทำให้เราเรียนรู้วิธีสร้างธรรมะต่างๆถ้าไม่ฟังธรรมก็จะไม่รู้ก็อา จ, จะทำผิดทำถูกไม่รู้ว่าศีลห้ามีประโยชน์อย่างไรแตกต่างจากศีลแปดอย่างไรทาไมถึงต้องมีศีลห้าทำไมต้องมีศีลแปด ทำไมต้องมีเสีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนศึกษากันให้รู้ถึงหน้าที่ของของธรรมชนิดต่างๆแล้วเราจะได้เอาธรรมเหล่านี้มาทําหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการคือความสุขภายในใจที่เกิดจากความสงบะ มีศีลไว้ก็เหมือนมีศีลเพื่อมาสนับสนุนในการเจริญสติมีสติก็จะสนับสนุนทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้แล้วการความสงบขั้นสติก็เป็นความสงบแบบชั่วข้าวไปก่อนพอเราเก่งเราชํานาญในการสร้างความสงบไในระดับของสติได้ขั้นต่อไปเราก็มาหัดเจริญปัญญากันะ ปัญญาที่จะทําให้ใจของเราสงบอย่างถาวรต่อไปนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งก็บางอย่างก็ปฏิบัติควบคู่กันไปได้บางอย่างก็ต้องสลับกันอย่างศีลกับสตินี่ไปพร้อมๆกันได้รักษาศีหน้ารักษาศีลแปกไปควบคู่กับ ก, บการไปเจริญสติได้น ถ้าถือศีลแปดก็จะมีเวลามากกว่าแล้วก็จะมีสถานที่ที่ดีกว่าศีลห้าศีลห้าก็หมายถึงรักษาที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้มันก็มีสิ่งแวดล้ามที่ยังมายุดยวนกวนใจอยู่ทำให้เผลอสติได้บ่อยแต่พอมาฝึกสติที่วัดที่ที่ป่าเขาที่สงศสถานที่สงบสงัด ก็จะไม่มีอะไรมาลบกวนใจก็จะทำให้การเจริญสตินี้เจริญได้มากกว่าเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้สงบได้เร็วกว่าและสงบได้นานกว่าในเบื้องต้นนี้สิ่กับสตินี้ทำไปพร้อมๆกันได้ไม่ขัดกันสิ่งที่จะมาขัดก็เรื่องการทำทานถ้าเราอยู่ในช่วงที่ จะปฏิบัติธรรมนี้การไปทําบุญทําทานแบบที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนี้มันก็จะมาขัดกันเช่นไปถวายผ้าป่าไปทาสังฆทานืองะไรทนองนี้มันก็จะเอาเวลาของการปฏิบัติไปช่วงที่เราปฏิบัติเราก็งดทําทานไว้ก่อนหรือก่อนจะมาปฏิบัติก็ทําทานไปก่อนอยากจะทําบุญทาทานแบบไหนก็ทาไป แต่พอเราอยู่ในช่วงของการปฏิบัติเราก็งดการทำบุญทำทานไปก่อนเราก็มาปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ทานก็แยกไปเวลามาปฏิบัตินี่เครื่องมีศีลกับสติในเบื้องต้นศีลห้าก็จะทาให้เรามีเ ว, าเวลาเจารินสติได้น้อยตจ้งได้ศีลแปดก็จะมีเวลาจารินสติได้มาก ได้ไปปีกวิเวกได้เราก็เจารานสติช่วงที่เราไม่นั่งเราก็เจารานสติพอเวลาเรานั่งเราก็เจารานสติจนกว่ามันจะสงบเพราะว่าใจจะสงบนี้ต้องนั่งพอเวลาที่เรายังเดินยังทำอะไรอยู่นี่ใจต้องทำงาน พอใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนีเ่เหมือนคนขับรถเนี่ยถ้าเวลารถวิ่งนี้คนขับรถจะนอนไม่ได้คนขับรถนี้จะต้องคอยดูรถดูถนนอะไรต่างๆถ้าคนขับรถอยากจะนอนนี้ต้องจอดรถก่อนจอดเข้าข้างทางบาที่ขับรถแล้วสับสนับสัประงกสับประงกะงกลไม่ไหวอยากจะนอนก็ต้องจอดรถก่อน พอจอดนอนแ ล, ล้ทีนี้ก็นอนได้หลับได้ใจจะสงบก็เป็นลักษณะเดียวกันใจเป็นเหมือนคนขับรถขับร่างกายสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆใจก็จะสงบไม่ได้จะนิ่งไม่ได้จะหลับไม่ได้ความสงบของใจก็เรียกว่าการหลับของใจแต่หลับแบบมีสติไม่ใช่หลับแบบไม่มีสติเพราะฉนั้นเวลาที่จะทาใจให้สงบให้นิ่ง ให้ใจได้พักผ่อนร่างกายจะต้องนิ่งร่างกายจะต้องอยู่เฉยๆถึงจะสามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆ ท, ที่ใช้สติอันเดียวกันนี้แหละเดินจงกรมสมมติเราทำอะไรเราก็พุดโธพุดโธไปมันจะไม่ทำให้ใจเข้าสมาธิได้แต่พอเรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วเราใช้พุโทโธอันเดียวกันนี้เดี๋ยวมันเข้าสมาธิได้มันรวมได้ตกหุมตกบ่อตกเหวได้ เพราะว่าตอนนั้นร่างกายอยู่เฉยๆแล้วใจไม่ต้องมาคอยระวังมาคอยเฝ้าดูร่างกายไม่ต้องมาคอยสั่งร่างกายให้ทำอะไรเหมือนกับคนขับรถยนต์เนี่ยพอจอดรถยนต์แล้วทีนี้ก็หลับได้ละไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของรถยนต์นการเจริญสตินี้มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นที่ยังไม่ได้นั่งก็ต้องเจริญสติ พอถ้ามานั่งแล้วค่อยเจรานสติสติมันจะมีกําลังไม่พอต้องเจรานสติให้มีไว้มากมากก่อนเหมือนต้องวอร์มอัพก่อนะก่อนจะทําอะไรนี้นั่งมวยบางทีก็ต้องวอร์มก่อนะให้เส้นสายมันยืดหยุ่นให้มันเลือดเลือดลมมันไหลเวียนให้ร่างกายมันคล่องแคล่วว่องไว สติก็เหมือนกันในเรื่องต้นก่อนที่จะใช้สติมาทำใจให้นิ่งให้สงบได้เนี่ยก็ต้องฟวมก่อนก่อนที่จะมานั่งนี่ก็ยังต้องเจริญสติถ้ามาเจริญสติในช่วงที่เวลานั่งนี้มันมีกำลังไม่พอนั่งเดียวพอเกิดอาการเจ็บหรือมวยมื่ยขึ้นมาก็หมดกำลังไม่มีกำลังใจที่จะนั่งต่อไปแต่ถ้ามีสติที่เราสร้างไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลามานั่งนี้ พอนั่งป๊บนี้สติก็เริ่มทำงาน ท, ทันทีใจก็ลดความคิดหลงความคิดก็น้อยลงไปใจก็เบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นความรู้สึกอึดอัดก็จะน้อยลงความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นก็จะน้อยลงไปก็จะทำให้นั่งได้นานและอาจจะสงบได้ไ ด, ได้ง่ายได้เร็วด้วยฉะนั้นการมีสตินี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่จะมาสร้างความสุขให้กับใจ ในเบื้องต้นคือขั้นของสติขั้นของสมาธิแล้วก็ต้องฝึกทำไปให้มันชำนาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาปัญญานี้เราก็มาเจริญมันแบบจริงๆอย่างจังหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วชำนาญทางสมาธิแล้วแต่เราก็สามารถเจริญปัญญาในขั้นต้นไว้ก่อนได้คือ ศึกษาธรรมะชนิดต่างๆให้รู้ว่าธรรมะชนิดต่างๆที่เราต้องเจริญต้องทำนี้มีไว้เพื่อทำอะไรต่อไปแต่เรายังจะไม่ได้มาใช้ปัญญาในแบบที่จะมาทำให้จิตสงบอย่างท้าวร น, นี้อันนี้ต้องรองให้เราผ่านขั้นสมาธิไปได้ก่อนให้เรามีความสามารถมีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิได้ก่อนแล้วทีนี้เราก็จะได้มา หัดเจริญปัญญาแบบที่จะทำให้ความสงบนี้สงบแบบถาวรต่อไปคือช่วงที่เราออกจากสมาธิมาเราก็จะมาเจริญปัญญามาสอนปัญญาให้รู้จักใช้ในการที่จะมารักษาความสงบที่เราได้จากสมาธินี้ให้มันอยู่ต่อไปเพราะสตินี้ไม่สามารถที่จะรักษาความสงบให้อยู่ไปได้ตลอด ส ต, ติต้องทํางานตลอดเวลาถึงจะทําให้ใจสงบพอหยุดเจริญสติเมื่อไหร่ความสงบก็จะหายไปได้อย่างถ้ามีปัญญาแล้วต่อไปปัญญาจะทําให้ความสงบนี่สงบอย่างท้าวอนแล้วพอสงบอย่างถ้าวรแล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาปัญญามีหน้าที่ทําให้ใจสงบอย่างทาวอนพอสงบอย่างท้าวอนแล้วมันก็จะไม่ต้องใช้ปัญญาอีกต่อไป แต่นั่นเป็นขั้นต่อไปขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่นี้ต้องผ่านขั้นสติขั้นสมาธิไปก่อนจะผ่านสติสมาธิก็ต้องมารักษาศีลกันให้ได้มาระ ง, งับการหาความสุขแบบแบบเก่ากันเลือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภากนแล้วมาหัดเจริญสติมาปีกเวิเวกันนี่คือ การสร้างทำที่มีอยู่ในใจของเราที่ตอนนี้มีอยู่น้อยมากมีแค่ร้อยละสิบเราต้องสร้างมันขึ้นมาให้มันเต็มร้อยถ้ามีศีลเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยแล้วเราจะทำให้ความสงบที่ให้ความสุขกับเหล่านี้เป็นความสงบแบบท้าวรนเป็นความสุขแบบท้าวรน ที่เรียกว่าปรังสุขขังต่อไปคือความสุขของพาณิชฐานเป็นผลที่เกิดจากการที่เรามาสร้างธรรมะที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่ยังมีน้อยอยู่ในตอนนี้ให้มันมีเต็มร้อยขึ้นมาให้ได้พอมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็จะมีความสุขเต็มร้อยปรังสุขขังแล้ว พอมีความสุขเต็มร้อยก็ไม่มีการที่จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกต่อไปร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดอีกแล้วพอเกิดการเกิดไม่ว่าจะเกิดกี่ครั้งก็จะต้องมีความทุกทุกครั้งไปเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งของกองทุกนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายความความทุกข์ก็จะไม่มีจะไม่มีได้ จะไม่เกิดได้ก็ต้องมีความสุขแบบเต็มร้อยมีประมังสุขขังที่เกิดจากการมาสร้างธรรมที่มีในใจคือสร้างศีลสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญากันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้แล้วควรที่จะนำเอาอไปปฏิบัติถ้าเราต้องการที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี่ให้หายไปอย่างถ้าวนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิฉาโตสัพเพปรเณตุสังกปาจันโทปนาหราโสยทามณิโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวัจฉาโต สัพพโรโควินาศตมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทานเตอายุวนโนสุขังภาลั ช่วงนี้ยังไม่มีข่าวๆที่จะผ่อนคลายการอยู่บ้านใช่ไหม ย, ยังให้อยู่บ้านไปเรื่อยๆก่อนลดกิจกรรมต่างๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสามสิ30เมษามจะต่อหรือเปล่าคือตอนนี้ให้ทุกคนอยู่บ้านไม่ไม่ออกไปตาม สถานที่ต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องไปยกเว้นถ้าจะต้องไปหาอาหารหรือไปทําธุระจําเป็นออแต่งานนี้เขาก็ยังให้คนไปทํางานอยู่ได้ไพวกโรงงานอะไรนี่เขาก็ทําได้เพียงแต่งานเกี่ยวกับงานที่มีคนมามาแออัดกันเช่นลงภาพยนตร์ศูนย์นการค้าอะไรพวกนี้ไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ถือว่าเป็นกิจสาคัญไม่ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ตอนนี้ญาติโยมเหมือนกับพระเลยต้องจาวัดเหมือนกับพระเลยพระออกไปข้างนอกไม่ได้วป็นรียกว่าเป็นสถานที่เอาโครจรไปศูนย์การค้าไม่ได้ไปที่ที่ญาติโยมไปกันไม่ได้ไปตามบาร์ตามผับไม่ได้ ไปตามลงภาพยนต์ไม่ได้ตอนนี้ญาติโยมก็เหมือนเป็นพระน <c> ะ <ười> <c ười> ได้บวชกันเนี่ยถ้ามองในทางธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะได้ทำบุญเนี่ยได้เปิกไว้แวกได้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายได้รังงับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆโดยเฉพาะกามฉันทะ ความอยากา้าความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายตอนนี้ก็ถูกละ ง, งับไปเยอะก็ยังไม่ถึงกระหดตอนนี้ก็ให้ดูทีวีไปให้ดูอินเทอร์เนต็ตไปได้อยู่แต่ไม่ให้ออกไปตามสถานที่ต่างๆมองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะมีอะไรดีเยอะแยะเนี่ยเชื่อว่าวันก่อนเห็นก็ถ่ายรูปของหาดบางแสนมาให้ดูว่าตอนนี้โอ้สะอาดน้ำใสเป็นสีฟ้า ชายหาดนี้มีแต่ทรายไม่มีขยะไม่มีอะไระคนก็ไม่มีท้องฟ้าก็ใสสะอาดเนี่ยชาวอินเดียที่ไม่เคยเห็นภูเขาฮิมาลายมาหลายปีเขาว่าตอนนี้เห็นชัดเลยมีคนถ่ายรูปมาให้ดูเพราะไม่มีมวลภาวะมวลพิษทางอากาศตอนนี้ปัญหาเอออะไรฝุ่นสองจุดห้านี้ก็หายไป นี้กรุงเทพนี่โหโลกถนนรถก็ไม่ติดควันพิษก็ไม่มีความจริงมองไปมุมหนึ่งมันก็ดีนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ได้ต่อไปก็โลกเราจะมีความสุขมากกว่านะถ้าเราบทเรียนของไอโควิดนี่มา <c oughs> สอนเราว่าเราควรจะอยู่กันแบบนี้นะ อ, อยู่กันในบ้านดีกว่าหาความสุขกันในบ้านไปทํางานไปซื้อข้าวมากินพอละชีวิต จะไปวุ่นวายกับอะไรกันมากมายนะใช่ไหมมีความสุขกัเยอะบ้านเมืองก็สาสสะอาดลดก็จะไม่ติดกันอ่าอ่อนจริงคนก็ใกล้บ้านแล้วมันจ์ออกมาเต้นกันในเฟซออกมาทำกับข้าวอะอย่างเี้เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้เขาใช้ซูมหรือใช้โปรแกรมที่ มาบางคนก็อยากจะกินเล่ากับเพื่อนนี่เขาก็ให้เพื่อนเปิดคอมแล้วก็ส่งมาทางไลน์กันดูภาพกันเดิมวย า, อ า, อาขอยกยกแก้วกันมาเดิมคนนั้นก็ยกแก้วตอบกับมาอย่างนี้เขาต้องอาศัย อ, ออนไลน์กันนะทําอะไรออนไลน์แต่ความจริงถ้ามีสติทัท้งหน่อยมีปัญญาทั้งหน่อยก็จะได้เห็นว่าโอนี่ชีวิตของเราเนี่ย เป็นเราเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งนั้นนะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาถ้าพวกเราทําตามที่พระเจ้าสอนได้เนี่ยเนี่ยอยู่จําศีลเนี่ยอยู่จําวัดอยู่บ้านอย่างนี้ได้ถือศีลแปดแบบนี้ได้เนี่ยโอ้ยโลกนี้จะสงบจะสุขกว่าเยอะแยะแต่ก็พวกเราต้องถูกเหตุการณ์บังคับถึงจะทำกันแล้วพอ เหตุการณ์นั้นผ่านไปเดี๋ยวก็กลับไปทําเหมือนเดิมเ้วก็จะลืมไป <c oughs> เพราะสัญดานที่มันฝังอยู่ในใจแล้วนี่มันลึกไ <c oughs> ตามาสฉันท่า น, นี่มันฝังคลึกอยู่ในใจของเรา <c oughs> พอมีช่องปั๊บนี่มันจะพุทธไปเลย <c oughs> ตอนนี้ก็พยายามเจาะหาช่องกันอยู่เนี่ย <c oughs> หาช่องวิธีหาความสุขต่างๆกัน ก็ถ้าคนมีสติมีปัญญาก็อาจจะใช้เหตุการณ์นี้บางเป็นบทเรียนสอนใจให้รู้จักแนวทางอีกแนวทางหนึ่งของการหาความสุขก็อาจจะได้ไประโยชน์จากเหตุการณ์ร้ายอันนี้ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ยอวผ่าทางเ a c e b o o ห้าร้อยสิบเก้า y o u t u สามร1อยเจ็ดสิบเอ็ดวิทออนไลน์เจ็ดรวมทั้งสิ้นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะ <c oughs> ถ้าใครมีคำถามอะไรตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ถามคำถามเนแจนส่งเข้ามาได้ถ้ามีก็อ่านได้เลยถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวจะพูดอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็ได้มีคำถามทางบ้านจากคุณเอบ้านอำเภอเจ้าค่ะ เร er ียนหลวงพ่อขอความเมตตาช่วยบอกแนวทางในการใช้ชีวิตและกำลังใจในตอนนี้เพราะทั้งเพื่อนคนสนิทต่างอยู่ในภาวะบางคนตกงานบางธุรกิจปิดตัวลงขายของไม่ได้ขอขอบพระคุณค่ะก็ให้มองความเลวร้ายที่มันเลวร้ายกว่านี้ถ้าเราตกงานอย่างน้อยเราก็ยัง มีบ้านอยู่มีข้าวกินก็ดีกว่าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินคืออย่าไปมองในสิ่งที่เรามีที่เตอนนี้เราไม่มีให้เรามองในสิ่งที่เรามีและอาจจะไม่มีต่อไปอมันก็จะทำให้เราพอที่จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้ คือเราต้องทำตามที่พระเจ้าสอนคือให้เรามีสันโดษมีความยินดีตามมีตามเกิดถ้าเรามีความยินดีกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้รับเนี่ยความทุกข์ก็จะไม่เกิดตอนนี้เรายังมีชีวิตก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มีชีวิตให้คิดอย่างนี้ไปตอนนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ดีกว่าที่เราจะต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยให้คิดในมุมกลับบ้างอย่าไปมองแต่มุมที่เราขาดเรือหายไปโอ้ยเราเคยมีนูน่นมีนี่เราเคยไปทำนูน่ทนทานี่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเราไม่ได้ทำแล้วก็ให้มองว่าตอนนี้เรามีอะไระซึ่งบางคนที่เขาแยกว่าเราเขาไม่มีคนตาบอดเขาไม่มีตาเนี่ยเรามียังมีตาอยู่ คนพิการคนแขนขาดขาขาดเนี่ยเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนเรามีมากกว่าเขาเราไปเดือดร้อนแทนเราไปเดือดร้อนทาไมก็แสดงว่าเราสู้เขาไม่ได้สิแสดงว่าเราไม่ต่อสู้กับชีวิตเขาเห็นั้มใน Internet, ในอินเทอร์เน็ตในเฟซก็มีคนถ่ายรูปคนพิการเนี่ยบางคนแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มี เขาก็ยังอยู่เขดันหรืออาจจะมีแขนแต่ไม่มีขาเขาก็ใช้ใช้แขนแทนขาใช้มือแทนเท้าไปบางคนไม่มีแขนไม่มีเท้าก็ใช้เท้าแทนเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่มีอยู่คือต้องสู้ไม่ถอยอย่าท้อแท้ถ้าเกิดความท้อแท้แล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาทำลายเราเหตุการณ์ต่างๆนี้มันไม่ ทำลายเราเราตัวที่จะมาทำลายเราคือความท้อแท้ความหมุดกำลังใจดังทีเราต้องไปดูคนที่เขาด้อยกว่าเรานำบากกว่าเราแย่ ก, กว่าเราทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขายิ้มได้เขาหัวเราะได้เรามีเยอะกับเขาดีกับเขาทำไมเราน่ามาหน้าบึ้งตึงก็เพราะความอยากของเรานี่แหละอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีกัน ส่วนคนที่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีความอยากเพราะก็รู้ว่าเขาอยากเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่มีความทุกข์เขาก็มีความสุขกับสภาพของเขาได้จะยกตัวอย่างคนสองคนนี่มีเงินเท่ากันสมมติว่ามีหนึ่งล้านเท่ากันสองคนคนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสคนหนึ่งบึ้งตึงเพราะอะไรคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเมื่อก่อนเขามีแค่แสนเดียว นี่เขาถูกคอตเตอรี่หรือได้ทําธุรกิจข า, ขายของอะไรได้แล้ได้เงินมาเป็นล้านหนึ่งล้านเขาก็ดีใจอีกคนที่บึ่งตึงก็มีเงินหนึ่งล้านนะมันงตึงเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเขามีสิบล้านแล้วเขาปิดกิจการต้งถูกปิดไปรายได้หมดไปทําให้เขามีเงินเหลือแค่หนึ่งล้านแล้วเขาก็มาซึมเศร้ามาเศร้าใจเสียใจะ ทั้งทงที่ทั้งคนสองคนไี้มีเงินเท่ากันมีเงินหนึ่งล้านเท่ากันแต่มีความสุขมีความทุกข์ต่างกันก็เพราะว่าคนหนึ่งเขาดีใจเขาได้มากกว่าที่เขามีอยู่เขาก็มีความสุขคนที่เสียสินของไปเขาก็ทุกข์ทุกเพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียเพราะเขาอยากจะได้ แต่ถ้าก็มองมุมกลับว่าให้กูมีต้องล้านหนึ่งมองคนที่ก็มีแสนหนึ่งเดี๋ยวเากูมีเยอะกว่าเขาอีกทำไมกูจะต้องมาทุกข์ด้วยใช่ไหมดังั้นอยู่ที่มุมมองของเราทุกมุมมองนี้เราสามารถปรับได้ทำให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรได้ก็คือให้เรายินดีตามมีตามเกิ ด, ดถือว่านี่มันเป็นกรรมของเราก็แลวกันเราก็ยังดีกว่าคนคนคนอื่นที่เขาแย่กว่าเรา คนที่เขาตาตาบอดบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างเป็นใบบ้างเรายังทำอะไรได้อยู่ยังมีตามีปากพูดได้มีแขนมีขาทำอะไรได้จะมานั่งเศร้าทำไมหาอะไรทำก็ได้จะทำได้หลายอย่างทางโลกก็ได้มานั่งทำทาอะไรที่เราเย็บปักถักร้อยหรือทาทำหน้ากากขายหรืออะไรก็ได้ไม่ดีกว่ามานั่งซึมเศร้ามานั่งอบบ่น หรือถ้าเราอยากจะมาทำทางธรรมก็ได้เนี่ยนานาจะมีโอกาสมีเวลาว่างมาฟังเทศฟังธรรมมาหัดปฏิบัติธรรมก็ได้เนี่ยมีโอกาสอะไรใหม่ๆเยอะๆที่เราสามารถที่จะใช้เวลาว่างของเรานี้มาทำให้เกิดคุณไปเกิดประโยชน์กับเราได้แต่ถ้าเรามาติดอยู่กับอดีตเนี่ย ตายเน่เนี่ยติดกับความสุขในอดีตติดกับทรัพย์สมบัติในอดีตที่ผ่านมานี้ที่มันไปแล้วไม่กลับมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันกลับมาเนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความซึมเศร้าแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้คำ yeah. ถามต่อไปจากเพื่อนพี่ปิ้ลฝากถามมาเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติมีความสงสัยมากในเรื่องโควิด ว่าทำไมฝรั่งในยุโรปและอเมริกาคนาดามีคนติดเชื้อมากมายและเสียชีวิตมากมายมากกว่าคนในเอเชียอย่างเราๆมันเป็นกรรมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเพราะเขาอยู่ประเทศหนาวประเทศหนาวนี้ไข้หวัดนี้มันติดกันง่ายประเทศร้อนนี่สังเกตดูเราหน้าร้อนนี่เราไม่ค่อยเป็นหวัดกันนะนี่ยเพราะว่า ความร้อนนี่ทำให้เชื้อโรคมันตายง่ายกว่าแล้วก็วิถีชีวิตของของชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ต่างกันทางเอเชียทางตะวันตกนี้เขารักอิสระภาพมากเขาไม่อยากจะให้ใครมาบังคับว่าต้องอยู่บ้านต้องใส่หน้ากากไม่เหมือนจีนนี่ก็ เ, เป็นแบบปฏิเดชการเพราะเขารู้ว่า วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องบังคับให้คนอยู่บ้านเห็นไหมอูานี้สองเดือนนะเงียบไปหมดเลยหายไปหมดเลยถ้าปล่อยให้เป็นแบบฝรั่งนีเนี่ยตอนนี้อเมริกาติดเชื้อโรคไปห้าแสนนะเพราะอเมริกานี่เขาถือว่าสิทธิเสรีภาพนี้เป็นพระเจ้าของเขาใครมาละเมิดอำนาจสิทธิเสรีภาพของเขาไม่ได้ังนั้นการที่จะมาบังคับคนนี่เขาแทบจะไม่กล้าบังคับกันแล้ว ในที่สุดก็ต้องทำเพราะทำโดยยอมจำนวนกับเหตุการณ์ก็ทำแบบให้สมัครใจทำกันเองไม่ได้บังคับเหมือนจีนอบอกให้อยู่บ้านกันนะแต่ถ้าใครไม่อยู่บ้านเขาก็ห้ามไม่ได้เหมือนก็เลยทำให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายได้ง่ายได้เยอะคำถามจากคุณอภิชัยในขณะเราคลองเทศครุหัะ หากเราปฏิบัติดีสามารถเป็นโสดาบันได้หรือไม่ครับคือเป็นเพศอะไรก็ได้ท้งนั้นนะเหมือนกับคนที่จะไปจบปริญญาตรีโทเอกนี่มันไม่ได้อยู่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนมันอยู่ที่ว่าเรียนหนังสือตามที่เขากาหนดให้เรียนได้หรือเปล่าแล้วเรียนแล้วเอาไปสอบได้หรือเปล่าตรสอบได้มันก็ได้ปริญญากัน เหมือนกันทางธรรมก็แบบเดียวกันถ้าอยากจะเป็นโสดาบันนี่ยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้หรือเปล่าแล้วปัญญาก็ต้องระดับที่ละสังโยชน์สามข้อได้หรือเปล่าละสักกายาทิฏฐิละวิจิตกิจฉาละสีลพัตปรามาทได้หรือเปล่านี่เป็นข้อสอบของผู้ที่ยาผ่านขั้นโสดาบันไป จะต้องมีศีลเพื่อสนับสนุนให้มีสติมีสมาธิเมื่อมีสติสมาธิก็จะได้สนับสนุนให้เจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะไปละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้เพรนั้นผู้ใดทำได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ครองเรือหรือเป็นพระก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้กันทุกคน คำ ถ, ถามจากคุณกุลพัสเรียนหลวงพ่อขอความเมตตาทำสมาธิไม่นิ่งเลยจะทำยังไงคะถึงจะนั่งสมาธินิ่งได้คะ่ะอะไรของพ่อเนี่ยเรียนหลวงพ่ อ, อเรียนหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่ได้ก็เพราะไม่มีสตินี่อย่าไปคิดว่านั่งสมาธิง่ายอ้ยนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธดูลมมันง่ายมันฟังง่ายแต่ทายากเพาใจมันไม่ยอมทาตามที่เราอยากให้มันทำ อ๋อพูดโธรได้สองคำไปแล้วคิดถึงขนมนะคิดถึงคนนั้นคนนี้นะเั้นก่อนที่จะมานั่งนี้ต้องพยายามควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้วพอเวลานั่งมันก็จะสงบได้าำถามจากคุณสิริรัตน <c oughs> ์ทำกิจการเกี่ยวกับโรงแรมแต่มีขายเบียร์เหล้าแต่ดิฉันบอกลูกให้เลิกแต่ลูกก็ไม่ยอมเลิกลูกบอกว่าโรงแรมก็ต้อง กับเบียรกับเหล้าจะไม่มีได้ยังไงฉันจะทำยังไงดีคะก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราบอกเขาแล้วเขาเขาไม่ยอมทำตามเราจะไปทำยังไงได้คำถามจากคุณอิทธิเดชกราบนมัสการสับถามพระอาจารย์คำว่ากรรมจัดสรร นั้นได้กำหนดกราฟชีวิตของตัวบุคคลตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายหรือเปล่าครับธรรมะจัดสรรเนานะธรรมะจัดสรรก็หมายถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้มันจัดสรรขึ้นมาให้กับเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของเราคือเราดำเนินชีวิตไปธรรมดาธรรมดาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา แ่ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้ไปไปไปตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นนายกจะต้องเป็นหัวหน้าเราก็ดำเนินชีวิตตามปกติของเรามีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนหนังสือมีหน้าที่ทำงานก็ทำงานไปแต่เวลาได้ขั้นได้ตำแหน่งมันมาของมันเอ ง, เ ร, องเรียกว่าธรรมจัตสันคำถามจากพี่พึ่งพี่เอ๋เจ้าค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคำถามที่1คะ่ะเวลานั่งสมาธิในช่วงต้นรู้สึกอยากขยับขาแต่หลังจากบริกรรมพุทโธ 3-5 นาทีก็จะหายไปพุทโธได้เรื่อยๆโดยไม่ได้กังวลกับร่างกายแล้วเจ้าคะ่ะนั่งได้ประมาณส5สหนาทีหลังออกมารู้สึกปวดเกร็งแขนบ่าไหล่เจ้าค่ะเป็นแบบนี้ทุกครั้งขอเรียนถามว่าอาการแบบนี้คือปกติไหมเจ้าคะ อ๋เป็นปกติร่างกายของเราถ้าเรานั่งอยู่ในท่าเดียวนี้มันก็จะเก่ง็งจะตึงได้พอออกมาพอเรามาขยับมันก็จะรู้สึก เ, เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บ้างแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบถาวรก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปคำถาม ท, ที่สองค่ะมีครั้งหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิออกมารู้สึกตัวเบาสบายมากเจ้าค่ะพยายามทาอีกแต่ก็ไม่ได้เจ้าค่ะ ขึ้นอยู่กับสติใช่ไหมเจ้าคะใช่เวลาเราทําอย่างนี้เราไม่เราไม่ได้ใช้ใช้สติแล้วเราไปใช้สัญญาความจำาพ อ, อยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วแั่มันสงบมันเบาดีแต่นั่งไปคิดถึงความสงบในอดีตมันไม่ทาให้เกิดความสงบต้องกลับมาเริ่มต้นที่สติใหม่คราวที่แล้วเราใช้สติอย่างไรคราวนี้เราก็กลับมาใช้สติอย่างนั้นต่อ ถ้าเราพุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็พุโทโธไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปนึกถึงความสงบอย่าไปอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วเพราะความอยากนี้มันก็จะเป็นกิเลส ท, ที่จะมาขวางทําให้ใจเราไม่สงบคําถามจากคุณประสิทธิกราบพระอาจารย์ครับการฝึกดูจิตถ้าดูเป็นแล้วจะใช้แทนท่องพุโทโธได้ไหมครับพระอาจารย์ การดูจิตนี้ดูเพื่อหยุดความคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงถ้าดูจิตได้หยุดความคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ก็อย่าไปดูมันดีกว่ามาใช้พุทโธดีกว่าเพราะพุทโธหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความคิดได้คำถามจากคุณชมชนกวันนี้ทราบข่าวว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เสียชีวิตโดยคุณหมอโทรมาแจ้งค่ะ ยมเสียใจค่ะร้องไห้ห้องนี้ยมจะทำบุญอุทิศให้สุนัขอย่างเดียวได้ไหมคะได้นายทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะทาก็ถ้าเขาดวงวิญญาณเขารอรับบุญอยู่เขาก็จะได้รับบุญไปแต่บางทีดวงวิญญาณเขาอาจจะไปเกิดไปเป็นอะไรต่อไปแล้วก็ได้เขาก็อาจจะไม่ได้มารอรับบุญก็ได้แต่ถ้าเรารักเขาห่วงเขาอยากจะให้เขาได้บุญเราก็ทำแล้วอุทิศบุญไปให้เขาก็ได้ คำถามคุณแมนกราบเรียนถามหลวงพ่อการปฏิบัติตามแนวหลวงปู่ดุลจิตเป็นพุทธะคือการบริกรรภาวนาตลอดใช่หรือไม่ครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะผมาไม่ได้อ่านรายละเอียดก็ต้องไปถามหลวงปู่ดุลนะ <laughs> คำถามคุณสรัญญากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมสวดมนต์นั่งสมาธิมาได้ต่อเนื่องระยะหนึ่ง แต่วันหนึ่งความรู้สึกกระตือรือร้นนั้นหายไปทำได้ไม่ต่อเนื่องอยากจะขอคำแนะนำหรือแนวคิดเพื่อเป็นกำลังใจให้มีความเพียรให้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องค่ะอยากจะมีกำลังใจก็มาฟังเทศน์งารทของพระปฏิบัติใหม่ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นเหมือนการชาร์จแบตชาร์จกำลังใจให้กับเรา พอเวาได้ฟังธรรมนี้เหมือนกับท่านเอาพระไตรปิฎกเอาเอ า, เอาตู้พระนิพานออกมาโชว์สมบัติเหมือนกับเศรษฐีที่เขามีเพชรมีพลอยมีสมบัติน้ําค่าเก็บไว้ในตู้พอเขาเอาออกมาโชว์เราเห็นปั๊บมันก็ทําให้เราอยากได้ขึ้นมาแล้วพอมีอยากได้ฉันทะเข้ามาทันทีฉันทะวิริยะก็จะตามมาครูบาอาจารย์ชันถึงพยายามบังคับ อบรมพระอยู่เรืๆสมัยที่อยู่กับหลวงปู่หลวงตามาอาบัวยุคแรกๆนี้ท่านว่างและไม่ค่อยมีญาติอยมท่านจะเรียกพระมาอบรมทุกสี่ห้าวันครั้งหนึ่งสี่วันก็เรียกมาฟังธรรมช่วงที่ไม่ได้ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนใบไม้เหมือนเหมือนดอกไม้ที่มันขาดน้ําเนี่ยพอมาฟังธรรมนี้เหมือนกับได้น้ำํำพอกลับไปนี่โหยกลับไปเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมง อก่อนฟังธรรมนี่โอ้โหไม่มีกําลังใจเหมือนกับเข็นครกขึ้นภูเขามันทำที่มันมาทำมากระตุ้นให้ใจเกิดฉันทเวิริยะคือทำมันวิเศษของพระพุทธเจ้ามันมันหายไปแต่พอมาฟังธรรมมาฟังผลของการปฏิบัติของท่านมาฟังวิธีการปฏิบัติของท่านมันก็ทําให้เราเกิดมีกําลังใจอยากที่จะทําตามนั้นพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อย คำถามคุณโร ม, มี่เราต้องผ่านเวทนาให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะถึงจะเลื่อนขั้นไปเจอบททดสอบอื่นเจ้าคะมันก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่เราต้องทำความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความเวทนาทุกเวทนาถ้าเราผ่านได้เราก็จะอยู่อย่างสบายมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ผ่านทุกเวทนาคาถามคุณศิริรัตน์ ถามต่อจากคำถามเมื่อสักครู่เรื่องสุราที่โรงแรมดิฉันจะบับในข้อผิดศีลในข้อที่อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามไหมคะเพราะดิฉันเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะก็เป็นมันไม่เป็นศีลนะมันเป็นไม่เป็นสันม ม, สมาชีพคือเป็นอาชีพที่ไม่สมควรต่อกับชาวพุทธเราเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาทำผิดศีลนั่นเองให้เขาได้ดื่มสุรายาหมา ถ้าเราไม่มีสุลาขายเขาก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำติดศินคร้อนี้ได้คำถามคุณนัทพลเวลาบริการพุทธโธนี้คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือหายใจเข้าพุทธโธหายใจออกพุทธโธครับพระอาจารย์ไม่ต้องเราไม่ต้องใช้คับลมหายใจพุทธโธอย่างเดียวดีกว่าง่ายดี โดยเฉพาะเวลาที่เราไม่ได้นั่งนี่จะไปพูดเข้ากับหายใจพูดเข้าโทออกนี้มันยุ่งเพราะเรายัางต้องทานู่นทำนี่อยู่เช่นขับรถนี่เราก็พูดโทพุดโธไปได้ถ้าพูดโทด้วยดูลมด้วยเดี๋ยวไม่ต้องดูรถอ่ะงั้นก็ถ้าจะใช้พูดโทเพื่อคอยควบคุมความคิดนี้ไม่ต้องใช้ลมหายใจยกเว้นเวลาที่เรามานั่งสมาธินั่งเฉยๆแนละ้วถ้าเราคิดว่าพุโทโธอย่างเดียวมันไม่ หยุดความคิดไม่ได้แล้วเราใช้ลมอีกอย่างมาช่วยลมหายใจเข้าเราก็ว่าพุลมหายใจออกเราก็ว่าโทถ้าเราถนัดชอบแบบนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่ถนัดไม่ชอบก็ไม่ต้องทำเอาพุธโทยอย่างเดียวไปก็ได้เอาลมอย่างเดียวก็ได้คำถามทางอินบ็อกซ์จากคุณอภินยาอยากทำจิตใจให้สงบต้องทำยังไงคะ ตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะก็เนี่ยต้องฝึกสติโดยสติแบบใดแบบหนึ่งสวดพุทโธพุทธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าไม่ชอบพุทโธมันสั้นไปสวดอิติปิโสไปหลายๆจบไปภายในใจหรือถ้าฟังเทศฟังธรรมได้ก็ฟังไปก็ได้เวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังแล้วความคิดที่ทาให้เราวุ่นวายใจก็จะสงบตัวลงได้ มีหลายวิธีฟังธรรมก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติพุทโธก็เป็นการเจริญพุทธานุสติสวนมน์ก็เป็นการเจริญธรรมานุสติเหมือนกันเออนื้อถ้าเราเรานั่งเฉยๆได้นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปเฉยๆอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆเบาบางลงได้ นี่ก็มีวิธีการต่างๆเหล่านี้ที่เราจะต้องทาหัดทาให้ได้ใหม่ๆก็เป็นเหมือนกับขี่จักรยานนะขี่จักรยานใหม่ๆจะขึ้นไปขี่อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆหัดไปพอหัดไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ขี่ได้คำถามคุณวุฒิจิตรวมกับฌานสี่เหมือนกันไหมครับอันเดียวกันนะคำถามคุณไผ่เหลีว ก่อนนั่งสมาธิต้องทำอะไรก่อนคะและจะออกสมาธิตอนไหนคะก่อนนั่งสมาธิก็ต้องมีฝึกสติก่อนเลยต้องมีสติก่อนที่จะมานั่งฝึกสติพุโทโธพุโทโธก่อนที่จะมานั่งพอนั่งปับก็ใช้สติที่เรามีอยู่นี่พุโทโธต่อไปเวลาเวลาออกจากสมาธิมาก็รักษาสติต่อไป พยายามรักษาสติไปเพื่อจะใช้กับการนั่งสมาธิขาวต่อไปคำถามคุณแ ม, ม่กับเรียนถามพระอาจารย์ว่ากิเลสอย่างยาวและกิเลสอย่างละเอียดมีลักษณะอย่างไรเจ้าคะอย่างยาว ก, ก็คือเห็นได้ง่ายอย่างละเอียดก็เห็นได้ยากแล้วแต่คุณปุกวุญญาฝักเรียนว่าเวลานี้ใจของลูกศิษย์ เหมือนดอกไม้ที่ได้น้ำเช่นกันแล้งน้ำอยู่หลายวันแล้วเจ้าค่ะอ่าอย่างนี้ฝนจะตกทุกสี่วันใช้ฝ <c oughs> นเทียมก็ได้วันอื่นก็เป็นฝนเทียมฝ <c oughs> นเทียมก็ได้เหมือนกันวันธรรมดาถ้าเป็นแสดงของเก่าก็คนติดตามประมาณสามสี่ร้อยถ้าเป็นวันของสดอย่างวันนี้ก็แปดเก้าร้อย อรู้สึกว่าคนชอบของสดมากกว่าอของเทียมชอบฝนฝนจริงมากกว่าฝนเทียมเพราะฝนเทียมมันอาจจะตกน้อยฝนอย่างเมื่อวานนี้ฝนจริงนี่ตกหนักตกเป็นเกือบชั่วโมงได้น้ํ า, นาเยอะแยะหมดแล้วเหะออชอบพยายามฟังทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของใหม่ฟัง อย่างหลายๆครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเราศรัทธาก็ได้การฟังธรรมนี่มันก็เป็นเหมือนการกินอาหารเนี่ยร้านอาหารก็มีหลายร้านแต่ ล, ละคนก็อาจจะชอบร้านอาหารต่างกันแต่อาหารที่ได้จากร้านอาหารเหล่านั้นก็เหมือนกันคือให้ความอิ่มเหมือนกันยิ่งถ้าเราชอบฟังธรรมครูบาอาจารย์รูปไหนหรือหลายๆรูปเราก็สลับฟังไปได้ไม่ไม่เสียหายอะไร ไม่ว่าฟังหลวงพ่อองคนี้แล้วต้องฟังหลวงพ่อองคนี้องค์เดียวไปตลอดเนี่ยไม่ใช่หรอกอยากจะเปลี่ยนไปร้านปีชาบ้างอาจจะไปร้านาเจอตุ่มบ <c oughs> ้างก็เปลี่ยนไปอเปลี่ยนรสชาติไปเพราะบางทีอาจจะได้ของแปลกๆใหม่ๆที่ออฟังฟังเราเราก็จะได้แนวทางเดิมซ้ําๆซักๆ พอไปฟังอีกรูปหนึ่งก็อาจจะได้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งแต่เป็นทางที่พาไปสู่ความสงบดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะมีหลากหลายก็นําไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือนําใจให้เข้าสู่ความสงบให้ใจได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคาถามคุณสุดารัตน์ถ้าจําเป็นต้องกําจัดตัวที่บ้านพวรทาอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดเสียงเจ้าคะ ก็ให้คนอื่นที่เขายินดีทําให้อย่างประเ้นเบริษัทจำกำจัดปลวกนี้เขาดีใจจะตายไปถ้าเขารู้ว่าบ้านเรามีปลวกนี่เขาจะมาอาสาสมัครเราก็อย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็อย่าไปสั่งเขาด้วยสั่งไม่ได้เพียงแต่บอกเขาได้อย่างภาพนี่บางทีตัดต้นไม้ไม่ได้ก็บอกโยมได้โยมเนี่ยกิ่งไม้มันจะมาทับหลังคาแล้วก็บอกได้แค่นี้ แต่สั่งบอกโยมช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยไม่ได้ อ, อพอพูดกับโยมพอโยมเขาเห็นเออได้โอกาสได้ทําบุญวะ่ะได้มาช่วยพระ อ, อพระตัดต้นไม้ไม่ได้เราตัดได้เขาก็ตัดเนี่ยพวกที่เขาทําอาชีพกําจัดตอ้ ก, กเขาก็ทําของเขาอยู่ทุกวันอยู่แล้วเมื่อได้มีโอกาสมาช่วยให้คนอื่นที่เขาไม่อยากจะทําบาปมาทำํำมาทําแทนเขาได้เขาก็มาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง เรื่องสีถนนชัยแต่อย่างใดเรื่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสีถนนชัยแตเ่เป็นเรื่องของความจริงของชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้คนแต่ละคนระดับของการมีศีลของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคนที่เขาทาบาปอยู่เขาประจํามันจะไปบอกให้เขาเลิกทําบาปเขาก็ไม่เลิอกอยู่ดีถ้าไปบอกคนที่กําจัดปลวกว่าเธอเลิกเถอะมารักษาศีลแบบเราดีกว่าเขาก็จะหาว่าเราบ้านเราครูเจ้าอะไรกินใช่เห็นถ้าเราไปบอกเขาว่าที่บ้านเรามีปวก ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็พูดแค่นี้เขาบอกว่าผมบริการจัดการให้ก็โอเคอย่างนี้เราก็ไม่บาปเขาบาปแต่เขายินดีที่จะทำเพราะเขายังอยู่ในระดับนั้นอยู่คําถามคุณอำไพกลับพระอาจารย์ด้วยเส้นกล้าวที่ท่านอาจารย์พูดการทำสมาธิเป็นเรื่องยากนั้นยากจริงๆยากมากจนบางครั้งนึกท้อพยายามหาวิธีให้ถูกจริต ก, กับตนเอง บางครั้งก็เหมือนหาได้แต่บางครั้งก็เหมือนไม่ใช่แต่สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าสวดมนต์ต่างๆดูเหมือนใจจะนิ่งแต่พระอาจารย์เคยบอกว่าการสวดมนต์จะทําให้ใจไม่รวมก็เลยรวนเรไม่กล้าใช้การสวดมนต์เลยค่ะพระอาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะด้วยได้ไหเจ้าคะก็ะดีแล้วเนี่ยเราชอบอันไหนแล้วก็สวดไปสวดไปเฉพาะมันนิ่งแล้วเราก็ดูลมต่อไปเหมือนกับเปลี่ยนเกียร์รถเนี่ย เราจะใช้เกียร์เดียวมันก็เข้าเกียร์หนึ่งมันก็จะวิ่งเร็วไม่ได้พอถึงขีดหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามไปการภาวนากรรมฐานบางชนิดก็เป็นเหมือนเกียร์รถที่เราใช้ได้ในระดับหนึ่งพอถึงระดับนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนพอส่วนวนสักชั่วโมงนึ่งเริ่ใจเริ่มว่างเริ่มเบาเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อได้คําถามคุณนวลสีลูกขอถามหลวงพ่อ เรื่องการระบาดของโรคโควิดเป็นข้อสอบของนักปฏิบัติหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นข้อสอบอันหนึ่งนะซึ่งนักปฏิบัติไม่มีโควิดก็มีข้อสอบอย่างอืนะ่นถ้าไม่มีข้อสอบนักปฏิบัติก็หาข้อสอบสร้างข้อสอบขึ้นมาเองเช่นถ้าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บพรปฏิบัติก็จะนั่งให้มันเจ็บขึ้นมาเองให้ร่างกายมันเจ็บขึ้นมาเองเพราะรู้ว่ามันเป็นข้อสอบที่จะต้องผ่าน เพราะว่านไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องเจอโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาดัางั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ซ้อมกันไว้ก่อนพอเจอข้อสอบจะสอบตกไม่ทําการบ้านกังไว้ก่อนดงั้นโครคภัยไข้เจ็บที่มาสร้างทุกขเวทนาให้กับร่างกายเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อสอบได้ถ้าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเราก็นั่งไปนานๆให้มันเจ็บขึ้นมาแล้วเราก็ใช้เป็นข้อสอบ แทนโลกภัยไค้เจ็บได้พอเราผ่านโลกภยัยพอเราผ่านทุกขเวทนาไปได้นะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกลับมา น, นะทีนี้เราก็ไม่กลัวโลกภัยแค่เจ็บเพราะเราจะรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กลับมาเ น, นี่ยร่างกายมันเจ็บแต่เราห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปเจ็บกับร่งางกายได้ถ้าเราฝึกปฏิบัติทำกันคำถามจากผู้ฝอกถาม ลูกตั้งน้โมสามจดในใจแล้วสวดอิติปิโสไปเรื่อยในใจก็กลัวบาปแต่ถ้าลูกจะมานั่งสวดการงานก็ไม่เดินหน้าลูกทำแบบนี้ได้ไหมคะทำยังไงไม่ไม่ไม่ได้นั่งหมายถึงเดินหอยังไงก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับ่เจ้าค่ะ ว่าตั้งน้โมสามจบเราสวดอิติซิโซไปเรื่อยในใจก็กลัวบาปแต่ถ้าลูกจะมานั่งสวดการงานก็ไม่เดินหน้าเจ้าค่ะอ๋อการงานก็ไม่เดินหน้าแล้วเวลาไปเที่ยวไปไปไปแล้วงานไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวไปดูหนังไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงนี้งานการไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าพอมาสวดปั๊บงานการไม่ก้าวหน้าเลย ก็เอาเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยมาสวดแทนสิแทนที่จะไปเที่ยวเราบอกเพื่อนฝูงว่าไม่ไปเที่ยวแล้วจะมานั่งสวดมนต์มานั่งสมาธิงานงานก็ก้าวหน้าเหมือนเดิมเราไม่ไปยุ่งกับการงานในพวกนี้พวกเข็นตรงอบอกให้สวดก็คิดว่าให้ไปสวดตอนที่ทำงานน่าอะไรมาแล้วที่ตอนไปเที่ยวคำ ถ, ถามคุณทิพย์ กลับเรียนถามว่าเวลาเราเจ็บปวดร่างกายเช่นตอนถูกน้ําร้อนลวกแล้วเราท่องพุทโธเพราะเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกมันก็เลยหายปวดแต่พอเราลองหยุดไม่ท่องพุทโธส่งจิตออกนอกไปดูที่แผลก็เจ็บกลับมาปวดทรมานอีกทําอย่างไรเมื่อส่งจิตออกนอกแล้วเราไม่เจ็บร่างกายคะหรือว่าเราควรท่องพุทโธจนจิตรวมสงบมากๆ ก, ก, ก่อนแล้วค่อยมาส่งจิตพิจารณาตรงแผลที่ปวดคะ่ะ ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปดูมันอยู่กับพุทโธอยู่กับความสงบไปเรื่อยๆถ้าดูมันก็ต้องทําใจว่าห้ามมันไม่ได้มันเจ็บก็เจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันยังไม่หายก็ต้องทนอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้มันหายเจ็บนี่มันจะทําให้เราทรมานใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราสักแต่ว่า รับรู้มันรู้เฉยๆ เ, เป็นอุเบกขาใจของเราก็จะไม่ทรมานแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจของเราเพราะฉะน้นถ้าเรามาดูความเจ็บก็ต้องดูด้วยอุเบกขาทําทใจให้เฉยๆมัน่ะสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าไม่อยากจะมาถ้าทําใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูมัน อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับความสงบไปเวลามาดูมันก็ดูด้วยพุโทโธพุโทโธไปท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ดูมันไปก็ได้เพราะที่มันเจ็บมากก็เพราะเกิดจากใจปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความอยากนั่นเองอมหมดแล้วเหรโอเคก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ